ตัวตราโอปัญโกม อ, อออมองดูตนเองนะมองดูตนเองแล้วก็ควรจะในเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมวินัยเราจะไปทําทําไม เ, เราจะไปถุยน้ํำลายที่เขารักเคารพนับถือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตัวเองเข้ามาแล้วมาทําอย่างนั้นใจะไหม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 สิ่งที่ไม่ไม่เป็นธรรมธรรมคิดธรรมพูดในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นธรรมคืดมาเมื่ อ, อไรเมื่อเราผ่านไปแล้วเราคิดย้อนหลังเมื่ อ, อไรเออเราสบายใจเพราะเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในโอวาทของของหลวงปู่หลวงตาของหลวงพ่อฮงนี่แหละถ้าพวกเราทำได้อย่างนั้นนะผ้านลูกหลานนะสบายอกสบายใจไปตลอดชีวิตเลยนะ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 วัวมันจะหายกันไว้ก่อนดีกว่าแต่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้วห่างคงจ็ดไม่สบายใจแต่ถ้าว่าพูดที่ไม่ทาไม่ควรจะไม่คำว่าไม่สบายใจไม่ควรจะมีเพราะอันนี้เป็นการกล่าวย้าเตือนแต่พู้ที่ทำแล้วนั่นมีไหมถ้ามีแล้วน่ะหยุดถอยใครจะก้าวํำลังจะก้าวไปจุดนั้น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 รู้คุณค่าพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้คุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าถ้าว่าพวกเรามีแต่เข้ามาหล่อรเลยแหละออกมากันออกนอกลู่นอกทางอย่างนั้นมันเข้ามาเพื่ออะไรทําร้ายทารา ย, รา ย, รา ย, รายใช่ไหม เ, เหยียบย่ำใช่ไหมมาขีมาเลี้ยวมาเยี่ยมมาลดมาทำลายทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนั้นใช่ม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 ใครจะมาเกี่ยวมาถมน้ำลายใส่ น, นี้พวกพรตุ้นพี่กันนะอ ม, นอมลินมลนม้นอุ้นหลุมลิ้นอมฟันเฉยๆไม่ได้นะต้องช่วยกันดูปกป้องหลักพระธรรมคำสอนเรารักษาช่วยกัน ร, รักษาแต่ไม่ใช่ว่าร้าวรานให้ทะเะวิวาส ก, กันหรอกถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เตือนถ้าเตือนไม่ได้ไม่ฟัง เ, เนี่ยตนะวงพ่อเป็นหัวหน้า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 ในเมื่อเหตุผลมันลงเอยกันแล้วนะ เ, เมื่อเราทำตัวไม่ดีไม่ได้ยังไั้นผมทำตัวดีในในหมู่ในคณะในหลักวัฒนธรรมนี้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงหลวงพอ่อเอาถ้าทำไม่ได้ก็ต้องออกไปซะม า, าตรงลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าทำตัวดีได้รปรปับปรุงแก้ไขนะอย่าไปทำอีก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 แต่ขนาดลูกหลานได้ฟังแล้วไม่ใส่ใจเหมือนกับศาตร์น้ำใส่ลังหมาสาสต์ใจและกับสะบัพดพืชมันก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ต่อไปเมื่อศาสต์อาบน้ำใส่ล้างหมาแล้วยังไม่ยังไม่ใส่ใจนี่ยนะต่อไปไม้เหลียวได้ปัดไม้เหลียวเสหลังหมานะเอามันเสียงหลงไปเลยนะ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 เอในขณะที่เรากําลังเรียนอีกสูตรหนึ่งวิ ช, ชาหนึ่งในตัวของเราในขณะ น, นี้สามเดือนเนี่ยเดือน ก, กว่ากเนี่ยเดือนหนึ่งมันผ่านไปแล้วเนี่ยเดือนครึ่งมันผ่านไปแล้วเนี่ยเกือบจะสองเดือนแล้วนะอีกเดือนเดียววันเดือนกว่ากไม่กี่วันเอาเ้าเข้าไปเจ้าจะอยู่ในสติอย่างเดียวไม่ให้เผลอกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอแล้วกัการเดิน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 ไม่ให้เลาะแหละถ้ามันเลาะแหล่โลกเลกโครเลแล้วมันเป็นอะไรมันไม่ได้ทั้งนั้นแหละเ้วเขาว่าตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคือตั้งใจมั่นคือมุ่งมั่นเรามาบวชคราวนี้เพื่ออะไรถ้าว่าเราไม่มุ่งมั่นไม่ตั้งใจมันไม่ได้อะไรนะเปล่าประโยชน์การบวชมาพอมันเปล่าประโยชน์ขึ้นมาออกไปทางนอกลูก่นอกทางหลยทีนี้ออกไปในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ ขณะสง์กฎระเบียบไม่ให้ทำํำมันก็ออกไปทางที่มันกิเลสพาไปนะกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะนะมันพาไปออกนอกลูกนอกทางแห ล, นะละนี่เพราะนนให้พวกเราทุกทุกท่านนะลูกหลานทุกองนะพระเนรทุกองนะมีมุ่งมั่นตั้งใจนะให้ตั้งจิตอย่างที่ว่านะ่ะถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนัตติสันติป ร, รังสุ ข, ขัง